ต่อเนี้ไปพึงวาการตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจเข้าไว้ภายในอย่าส่งใจออกไปภายนอกมันไม่สงบส่งออกไปภายนอกแล้วเมื่อมันไม่สงบมันก็ไม่รู้แจ้ง จิตใจนี่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้มานานปีแต่ก็ยังไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ต่ลองทบทวนดูให้ดีหลงรักหลงชังหลงเสียใจเศร้าโศกต่งางๆนา น, นาหมู่นี้นะ เนื่องจากมันไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงนี่แหละมันจึงได้สร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจหลวงรักมันจะรักคนอื่นมันก็มารักกายนี่ก่อนรักขันห้านี่ก่อนมันจึงลามไปถึงคนอื่นถ้ามันคลายความรัก ในร่างกายนี้ลงได้แล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ไปรักคนอื่นแล้วเพราะคนอื่นก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้าไฟลมเหมือนกันกับร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่นะก็ลองเทียบเทียงกันดูมันเป็นอย่างี้แหละมันจึงได้เป็นทุกข์กะเพราะมันไม่รู้แจ้งมัน ไม่คลายความรักความชังออกจากจิตใจผู้ครองเลือนก็สั่งสงความรักเอาจนเกินขอบเขตเกินพอดีจนเป็นเหตุให้ได้ประพฤตินอกใจของกันและกันในทางประเวณีพูด ตรงๆก็ว่าไปเล่นชู้จกากผัวเล่นชู้จากเมียนั่นเองนี่เลยว่าความรักมันเกินพอดีถ้าเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยนี้ก็ความรักก็มันเกินขอบเขตมันก็เป็นเหตุให้ร่วงสีขาบดวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายพระอาจารย์ก็ อับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมจะเรินไปไม่ได้ต้องให้พระพิจารณาเห็นโทษแห่งความรักอันมันเกินขอบเขตนี่ให้ได้ถ้าถ้าหากว่าความรักมันอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมแห่งวินยัยความรักเกิดขึ้นแล้วรู้ตัวได้ละได้เลย ไม่ปล่อยให้มันมีกำลังแก่กล้าจนจูงใจให้ประพฤติชั่วดังกล่าวมานั้น อ, อ, อันนี้ก็เรียกว่ามันความรักอันนี้ไม่รุนแรงมันก็มีทุกคนนั่นแหละผู้เกิดมาในโลกนี้ถ้ายังไม่ได้บรรลุอนาคามีผลตราบใดแล้วอันความรักทนี่มันก็มีอยู่อย่างนั้น ห้มช้างกม็มีนั่นืหละต่อเมื่อใดบำเพ็ญเจริญธรรมธาวิปัสนาไปจนได้บรรลุถึงอาัาคามีแล้วก็เป็นอันาระกามสังโยชน์ได้ละปฏิฆะความหงุดหงิดใจได้พระอนัตามีเป็นอย่างนั้น พระอนาคามีนี่แม้งุดงิดก็ไม่มีนะไม่ว่าจะโกรธแล้วชนเชียวก็ไม่มีเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ไว้ผู้ปฏิบัติธรรมพ<ม>ระอนาคามีละสังโยชนเบื้องบนไม่ได้เ<ม>ช่น รูปรูปราคะอรูปรากขะมานะถีนมิทธะอุทจจะอันนี้ยังละไม่ได้ห้านี่สังโยชนห้าเบื้องบนอุทจจะคือความรำคาญใจบางสิ่งบางอย่างที่ความคิดมันเกิดขึ้น มันรำคาญใจอย่างนี้มันก็มีพระอนาคามีแต่ว่าไม่รุนแรงอุเธจกความว่องเหงาก็ยังมีน่นแหละความว่าเหงาเนี่ยไม่ใช่ย้อยๆนะักิเลสตัวนี้ต้องอรหัตตมัค น, น, นะนู่นนะจึงจะตัดขาดนะนะมานะความถือตัวหมดเนี่ยแต่ว่ามันละเอียด ไปถึงขั้นนั้นนะไอขั้นหยาบนี่ความถือตัวในขั้นหยาบนี่ไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้ผู้ทรงคุณอุทิในประธรรมบาปได้โดยไม่ต้องกลัวบาปกลัวกรรมจะตมสนองอป็นทุกข์มานะอย่างนี้เลยว่าอย่างหยาบอย่างละเอียดนี่ไม่ถือมาในความเห็น ตนได้เห็นอย่างนี้แล้วก็ว่าเป็นความวิเศษของตนมไม่ยอมละความเหอันนั้นอันนี้นนนเรว่ามานะอย่างละเอียดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละความยึดปั้นถึงเมื่อในความเห็นทั้งหมดเลย ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นผู้วิเศษวิโสอะไรไม่สำคัญว่าตนรู้วิเศษอะไรต่ออะไรความสำคัญอย่างนี้ไม่มีแก่พระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายเลยทุกสิ่งทุกอย่างเดีว่ารวมลงแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรความรู้ก็สักว่าแต่ความรู้ความเห็นก็สักว่าแต่ความเห็น มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันไม่มีตัวมีตนอยู่ในนั้นเลยเราต้องเรียนรู้ถึงแม้จงยังไม่ได้บรรลุถึงก็ต้องเรียนรู้ไว้นั่นแหละเผ อ, เอบอบำเพ็นไปเ ม, มื่อกระเจ็ดพยายามละพรเห็นว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนนี่นะไปเรื่อยเื่อย เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางความเป็นหนึ่งถ้าความสัมพันธ์มีตัวเป็นตนอยู่มันก็เป็นสองคือว่าความเห็นหนึ่งแล้วกับจิตหนึ่งอย่างนี้นะมันเป็นสองแล้วมันไม่ได้เป็นหนึ่งถ้าละความเห็นอันนั้นเสียแล้วเช่นนี้มันก็เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวมันก็เป็นหนึ่ง ไปอย่างนั้นเมื่อเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สำคัญว่าตัวดีหรือตัวไม่ดีตัววิเศษอย่างไรงน้ไม่สำคัญเลยอย่างนี้นะนี่คือสังโยชน์เบื้องบนนะให้พากันเข้าใจไวเดี๋ยวบาเพนไปอวิชชาความไม่รู้อันนี้ก็มันก็เป็นกิเลสอันละเอียด ไปจนอรหัตตมัตนู้นตัดขาดได้ดังนั้นนะเราต้องศึกษาให้รู้ร่วงหน้าไว้ก่อนสังโยชน์คือกิเลสอันเป็นเครื่องผูกพันจิตใจนี้ให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัตตะสงสารอนนี้คำว่าสังโยชน์ น, นะนะ ให้เข้าใจไอ้ผู้ที่ไม่ได้ภาวนาลงเห็นตามสภาพความจริงคือไม่เห็นไตรลักษณะญาณปรากฏเนี่ยมันไม่เบื่อหต่อโลกอันเนี้ยเรื่องมันนะมันยังสำคัญว่าโลกอันนี้น่าอยู่หน้าอาศัยพอได้รับความสุขบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่างว่า มีร่างกายสมบูรณ์โลภัยไม่เบียดเบีนอย่างนี้ก็ติดตอนนี้ตอบชอบแล้วเนือถือถือว่าตนเป็นมีภูมิความสุขแล้วอืมไม่ไม่อยากขวนขวายออกจากทุกข์แล้วความสุขชั่วคราวเหล่านี้นะมันปกปิดความทุกข์ไว้อเรื่องมันนะผู้ดใดเจริญนิพพานได้ขวนขว้า พิจารณาเหตุผลในเรื่องเหล่านี้แล้วก็รู้ได้อก็ความสุขพอประมาณอันนี้มันปกปิดความทุกข์ไว้อยังไงอ่ะก็ปกปิดไว้อย่างที่ว่านี่แหละเมื่อร่างกายนี่มันสมบูรณ์บริบูรณ์โลภภัยไม่เบีดเบียนนะก็ถือว่าตนมีความสุขอย่างนี้นะแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปแล้ว ไอ้ความสุขเหล่านี้มันแขวงอยู่ด้วยความทุกข์ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารปัจจัยสี่อย่างว่ามันจึงค่อยดำลงตัวอยู่ได้อไอ้ผู้ที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนั่นก็เพราะกรรมดีที่ทำมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ เดือดร้อนให้ล่มให้ตายอมนี่มีแต่มีเมตตาเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลเป็นประมาณนี่นะอานิสงสผลแห่งการเจริญเมตตาอย่างนี้แหละและ้วกับเกี่ยวกับเกล่การบริจาคเข้าน้าโภชนะอาหารให้เพลนทานสองอย่างนี้แหละ ประกอบกันเข้าบุญกุศลเหล่านี้จึงนําดวงขิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาบุญกุศลอันนี้จึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บบิดเบี้นร่างกายน้อยที่สุดเลยเแต่อันบุญกุศลที่ตกแต่งร่างกายนี่มันก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยตรงพิจารณา ให้เห็นต้นตอของสิ่งที่ตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี้ให้ได้หากว่าบุญกุศลที่ตกแต่งร่างกายนี่มันยั่งยืนไปได้นานเท่าไรร่างกายนี้ก็เป็นอยู่ไปได้นานเท่านั้นอย่างนี้นะนี่บุญที่คนเราสร้างมามันมีจำกัดอ่ะ บางคนก็สร้างมามากพอสมควรบางคนก็สร้างมาพอปานกลางบางคนก็สร้างบุญกุศลมาแต่น้อยอเช่นนี้แล้วเมื่อคนสร้างบุญน้อยก็ต้องทำบาปมากเป็นธรรมดานี่ถ้าคนสร้างบุญมากมากก็ทำบาปน้อยอถ้าทำบุญกุศลมากซะจริงๆก็เว้นจากบาปได้เลย เป็นอย่างนั้นเดืองมา น, นะผู้ทาบุญมากๆนี่อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่ตั้งแต่อีิการโลกมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความเป็นมาของหมู่มนุษย์ในสมัยสังวัตกับกับที่อายุของมนุษย์เจริญขึ้นจนถึงอสงไพยปีนูน่น อ, อันนี้ก็เพราะอา น, นิสงสผล แห่งการให้เข้าน้ำเป็นทานอา น, นิสงส์แห่งการเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่เองนะนี่แหละทำให้อายุยืนยาวนานบางคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวพระพุทธเจ้าเราเพราะองค์ไปทำบาปอะไรมาถึงมีอายุสั้นเพียงแปดสิบปี หนึ่งอนพระพุทธเจ้านี้ทรงสร้างบารมีแบบปัญญาที่กะต้องการความรวดเร็วต้องการให้บารมีเต็มเร็วอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะทำบาปมาบ้างเรื่องมันอนะ มันเอยุคสมัยพระพุทธเจ้าผู้สร้างบา ร, รมีแบบปัญญาธิกะมันมีอายุสั้นนี่เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งหนึ่งให้เข้าใจสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบา ร, รมีจำพวกวิริยาทิกะเอาความเพียรเป็นใหญ่ทาอะไรก็ละเอียดลออไปไม่ละเอียดไม่เอา ยุคสมัยเส้นนั้นเนะ่มีอายุยืนยาวนานอืมพระพุทธเจ้าตามตำรากล่าวไว้ว่าวิปัสสีนี่นะมีอายุยืนตั้งแสนปีนุ่นอลองคิดดูอ่ะนี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลพวกวิริยาที่กะเนี่ยต้องละเอียดละออ พระศีษอริยเมตตาเนี่ก็ตั้งแปดหมื่นปีดังนั้นให้เข้าใจก่วงๆไว้บ้างการที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่เราต้องรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะมามองเห็นว่าอายุ สั้นนี่มันลาบากมากไม่ไม่ใช่อายุสั้นเฉยๆอย่างเต<ๆ>็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนั้นท่านผู้มีอายุยืนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเลยแต่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีแต่โรคหิวข้าวโรคกระหายน้ำโรคอยากหลับอยากนอน โรคปวดอุจจระปัสสาวะเท่านั้นเองนะดังนั้นท่านจึงมีอายุยืนยาวนานนั่นแหละแต่คนมีอายุสั้นก็ลองสังเกตดูทุกวันนี้เป็นไงอะ่ะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างสำคัญอีกด้วยนะโรคบางอย่างหมดรักษาหายไม่ได้เลย แสดงว่าคนที่มาเกิดในยุคนี้แต่ชาติก่อนได้ทำบาปมามากเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะให้ล้มให้ตายมามากมายทีเดียวนะอ่มเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้จะมีโรคภัยเบียดเบียนมากมายกายกองใครยังไม่เห็นให้ไปโรงพยาบาลนะ ไปโรงพยาบาลนั่นอุ้ยเดินเที่ยวดูเตียงคนไข้นอนเรียงกันเป็นแถวอืบางคนก็อยู่ในโรงพยาบาลตั้งเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็มีอนที่สุดก็ไม่หายหอืมอย่างนี้เนี่ยไม่เรียกว่าพระสององค์ข้าเจ้าไม่เรียกว่าชาวบ้านผู้ครองเลือน ต่างคนต่างสร้างบาปสร้างกรรมมาแต่ในชาติก่อนนั้นมากมายบางบางท่านนะบางท่านบางคนน่ะมันก็เด็ดนั้นจึงมีโครคภัยเบียดเบียนได้รับทุกข์ทนทรมานนานกลัวจะตายอันนี้ชี้ให้ดูว่าชีวิตนี่มันเนื่องอยู่โดยกรรมดีกรรมชั่วสรุปลงแล้วนะ อืมถ้ามันไม่เนื่องอยู่ด้วยกำดีกำชั่วเป็นอะไรก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดสิถ้าอายุยืนก็าอายุยืนด้วยกันถ้าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็ไม่มีเหมือนกันนี่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยตกแต่งนะรูปร่างกายอันนี้นะแต่นี่ไม่เป็นอย่างว่านั้นทุกคนก็รู้ดีนี่ออเออนะบางคนก็ มบูรร่างกายเนี่ยก็เพราะไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมะะัจจรแล้วก็ชอบให้เข้าน้าโภชนาะอาหารเป็นทานมากมากดัะนั้นให้รู้ไว้ชีวิตนี้นะอย่าไปหลงความสุขชั่วคราวอย่าไปติดอยู่ความสุขชั่วคราวนี้แล้วจะไม่ได้พบความสุขอันไพยบูรเลย ผู้ได้ติดอยู่ความสุขคร่าวติดในการกินไม่ได้กินอาหารอันอร่อยไม่ได้ฆ่าสัตว์มาทำอาหารกินไม่อร่อยอนั่นเรียกว่าติดในการกินอันเป็นเหตุให้ทำบาปติดในการนอนได้นอนมากถือว่าดีร่างกายจะได้สมบูรณ์อย่างนี้แหละ ถ้านอนน้อยในกลัวร่างกายจะสุขผอมไม่ได้ต้องนอนให้มากมากนี่เรีว่าติดในการนอนไม่แบ่งเวลาประกอบความเพียรทางจิตใจเลยอเอาเรียกว่าติดความสุขในการนอนก็เลยไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ได้ชําระกิเลสออกจากจิตใจนี่ ลองสังเกตดูผู้ติดในความสุขโั่วกรามมันมีโทษเพียงไหนอ่ะอ น, นี่ติดในความสนุกสนานในมหรศสคมคบงนันในการพนันขันต่ อ, อติดในการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาพินเฮโร อ, อีนบูดี้มันล้วนแต่เป็น อุปสรรคต่อการบำเพ็ญบุญกุศลฝึกขนอบรมตนทั้งนั้นเลยอ่ะลองคิดดูให้ดีคนเราใดเป็นผู้ติดความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานี้แล้วไม่ค่อยสนใจกับวัตวาศาสนาเราหาเงินทาทองได้มามากๆแล้วก็มกกักจะใช้จ่ายไปในหาแสวงหาความสุขสนุกชั่วคราว บางคนมีเมียอยู่แล้วก็ยังไม่จูใจอ่ะอ้าวไปหาชมเชยหญิงอื่นซึ่งตนรักตนชอบใจเข้าไปอย่างนั้นแล้วไม่ทุ่มเงินไปให้เขาบ้างๆเขาจะไปยินยอมในตัวเป็นผู้มีเมียอยู่แล้วก็อย่างนี้แหละสาเหตุที่เศรษฐีจะลง ตกยากตกทุกต ก, ต ก, ตกยากนะมันก็เป็นเช่นนี้เองเนี่ยนักบวชจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ใสสะอาดไปไม่ได้ก็เพราะไม่ยอมละความสุขพอประมาณนี่เองเนี่ย การขบการฉันถ้าไม่ได้ฉันอาหารดีๆก็เดือดร้อนอย่างนี้นะไม่พอใจอปงไม่ลงเลยติดรสของอาหาร อ, อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็พุ่งมันก็ไปนั่งภาวนาคิดถึงในเรื่องอาหารนั่นเองอทำยังไงเนอะเราจึงได้ จะได้ฉันอาหารดีๆมีรถถูกปากถูกข้ออ่เอาเศนาสนะที่อยู่ที่อาศัยไม่หรูหราอยางนี้ก็ติดและก็วิตกิจารแล้วฉะนั้นเนอะเราจึงจะได้อยู่กุธิที่ดีๆงามๆ ม, มีเครื่องประดับมีที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มนิ่มอะไรเหมือนนี้อืม ไปมัวแต่วิตกวิจารณ์อยู่กับความความไม่ได้รับความสุขชั่วคราวเหล่านั้นอืเอาถ้าได้มีสิ่งเหล่านั้นแล้วจมอยู่ในความสุขกันนั้นเสียมีที่นอนดีๆงามยิ่งนอนหลับนอนไหลไม่รู้จักตื่นเลยอืมนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายนะ มันติดอยู่ในความสุขโขคาวนี่เองนะขอให้พากันคิดให้ดีอย่าอย่าลั่นเลยเหตุที่มันจะประกอบความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้ก็เพราะมันติดความสุขโขคาวนี้เองผู้บวชเข้ามาแบบพืชพมจันไปเห็นแต่เกลหลับเก่นอนอย่างนี้นะแล้วมันจะบําเพ็ญกุศลให้เกิดในใจได้ยังไงอ่ะ ผู้ใดชอบแต่ความนอนอย่างนี้ความง่วงเหงาหานอนยิ่งครอบงำจิตใจมากอย่างนี้นะอืผู้ใดเห็นโทษแห่งความหลัความนอนเกินขอบเขตอะ้รอย่างนี้มันก็ไม่เคยง่วงเท่าใดอะจิตใจในมันชื่นบานอยู่ในบุญในกุศลอยู่ในความดีที่ตนกระทำนี่นะเมื่อพิจารณาถึงความดีที่ตนทํามาแล้วมันก็เกิดปิติยินดีขึ้นในใจ เมื่อความยินดีปิติในกุลกุศลเกิดขึ้นแล้วความง่วงเหงาหาวนอนมันก็หายไปส่วนมากนะมันไม่ได้นึกถึงความดีที่ตนทำนี่มันนึกถึงแต่ความหลับความนอนเท่านั้นนะอตอนกลางคืนกำพักลางคืนก็ดีนื้อบางลายก็ฉันแล้วก็ง่วง ก็ทํำท่าไปดูหนังสือนิดนิดหน่อยแล้วก็นอนหลับอืมก็อย่างนี้แล้วมันจิตเจริญด้วยสติปัญญาความรู้ความฉลาดได้ยังไงเล่าตนไม่ฝึกตนนี่ไปสะสมกิเลสไปหุ้มห่อจิตใจอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะมีสติปัญญาอะไรเล่าไม่ว่าครือขัดไปว่านักบวชแล้ว มันต้องฝึกตนมันจึงมีสติปัญญาจึงรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แม้ทุกข์จะมีอยู่ถ้าปัญญาไม่มีมันก็ไม่รู้เท่าอาการที่ไม่รู้เท่าเป็นยังไงอ่ะ ก็เมื่อทุกข์บางเกิดขึ้นแล้วจิตใจหว่อนไหวดิ้นลนกระวนกระวายนั่นเลยเรียกว่าไม่รู้เท่าทุกข์แต่เมื่อความทุกข์บางเกิดขึ้นแล้วก็อดทนได้อดกั้นได้และพร้อมทั้งปัญญาก็กําหนดรู้ว่าทุกข์นี่มันเป็นเฉพาะขันหา้ามันไม่ใช่ของเราไม่มีในเราอทุกขเวทนาเ น, นี่ยมันก็จัดอยู่ใน ขันธานั่นแะเวทนานั่นแหะมันไม่ได้มีในเราไม่มีไม่ได้มีในจิตจิตก็ไม่ได้มีในทุกเวทนานั้นแต่เมื่อจิตหลงแล้วจิตถ้าไปยึดเอาทุกเวทนานั้นมาเป็นตัวตนว่าเราเราเป็นทุกข์เราเดือดรออ้อ น, นอย่างนู้นอย่างนี้นี่นะใครพี่นะให้ละเอียดเรงนี้นะดังนั้น บุคคลผู้ทําจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นลงไปอย่างแน่วแน่ลงไปแล้วอย่างนี้อะไรมาสัมผัสจิตน้อยหนึ่งมันก็รู้ว่านี้นะนอย่างว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนร่างกายนี้ทําให้ร่างกายนี่มันไม่ปกติอยู่ได้กระวนกระวายมันก็มา กระทบกับจิตนี่บ่อยๆ อ, อย่างนี้นะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็พิจารณาได้โอ้ขันดังห้านี่เป็นอย่างนี้หนอเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เออ่แปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่อย่างนี้จิตนี้ก็รู้สึกไม่สบายแล้วอืมดังนั้นจึงผู้มีปัญญานะ จึงนึกววามดำริทำยังไงเนาะเราจะพ้นจากขันหานี้ได้เนยกับดำริอยังไปอย่างนี้นะฮะนี่มันเบื่อแล้วเพราะขันหามันในเที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอเฮ้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าบุคคลผู้ที่จิตใจไม่ตั้งมั่นแล้ววั น, นี้เมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขันหานี่กระทบกระทั่งจิตจิตก็พุ่งเลยดำริคิด นึกตรึกตองส่งไปทำยไงไอเนาเราจึงจับหายจากทุกขเวทนานี้เหมาอเข้าจิตไปยึดเอาทุกขเวทนามาเป็นของตัวแล้ววันนี้นะแล้วก็ดิ้นอยากจะหายจากทุกขเวทนานั้นก็ส่งใจไปเท่ยววิภพแล้ววันนี้นะเพราะว่ามันสู้ทุกขเวทนาไม่ได้นียไม่ได้ไม่ได้ฝึกให้มันสงบให้มันหนักแน่นมากแต่ก่อน ไปอย่างนั้นเรื่องมา น, นะเมื่อเมื่อจิตใจหวั่นไหวต่อทกเวดานาอยู่นะั้นกระดบก็แสดงว่าจิตใจยืดขันห้ามมาเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นตัวกรรมเหล่านี้ตัวกรรมเหล่านี้นะมันนําให้เกิดอีกอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัว่าอุปาทานเป็นปัจจัยบังเกิดภพ เพราะเป็นปัจจัยบังเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยบังเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาอตมเป็นอันว่าความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี้อเมื่อใ จ, จ ย, ยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้แล้วอย่างนี้เมื่อใช้ขันหานี้ไปทําดีบ้างทําชั่วบ้างนี่ กรรมดีกรรมชั่วนี่แหละก้นนำดวงกิจนี่ไปเกิดในพบในชาติต่อๆไปอันเป็นอย่างนั้นต้องสาวหาปัปใจเพปปัจจัยให้มันให้มันให้มันได้ให้มันรู้เมื่อรู้อย่างนี้เราจะได้เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อความยึดความถือนี้งี่นะถ้ามันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายไม่คลายความยึดความถือเรื่องมันเป็นอย่างนั้น คนไม่ได้ยางปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความยึดถือนี่นะส่วนมากเป็นอย่างนั้นแหละมันถึงไม่อยากพ้นจากขันทั้งห้าอันนี้อืมันจึงไมสะสมไว้อสะสมความรักควมอะไรในขันห้านี่ไว้อย่างนี้นะเมื่อสะสมควารักไว้แล้ววะนี่ มันก็มีความชังเกิดเป็นคู่กันขึ้นมามันก็โกรธขึ้นมาในใจนี่นะนั่นแหละความรักมีแล้วความชังก็มีต้องให้เข้าใจทละความรักนี่ในขันหานี่ไม่ถือว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เ อ, อ้าใครจะนินทาใครจะสนเสริญใครจะดูถูกดูหมิ่นยังไงก็ว่ากันไป จิตนี่มันก็รู้แจ้งแล้วว่าเขาไม่ได้ว่าให้เราเขาว่าขันห้าทางหักแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรอืมันก็ไม่เดือดร้อนแล้ววหมนี้มันก็ไม่โกรธไมุ่นเขียวอะไรเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะดังนั้นไอ้ความสําคัญผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตันนี่ละเอียดมากนะพี่นะให้ดีๆภาวะนาะให้ดีๆ ที่นาให้ละเอียดที่นาบ่อยๆเลยทีเดียวอย่าไปเมินเฉยนะถ้าเมินเฉยเราเป็นอนวตตละอุปทานไม่ได้แล้วแม้แต่อุปทานอย่างงง า, ามงาบคนละไม่ได้อย่าว่าแต่ส่วนละเอียดเลยไอ้ผู้บวชเข้ามาแล้วอย่างนี้นะก็ได้ฟังทำคำสองฤรษีเจ้าได้ฝึกถัดภาวนาไปแต่ภาวนาเพียงแต่ไปส ง, งบอยู่เฉย ไม่ได้ใช่ปัญญาค้นคว้าอะไรเลยท่านประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่หลอดซึกออกไปแล้วก็ยังไปทำบาปอยู่นะคิดดูนี่นั่นแหละไอ้ความยึดมั่นในขันห่านี่มันเป็นอีนแน่นอนพะอไปหาเรื่องชีพโดยทางชอบไม่ไม่ได้มากสมประสงค์แล้ววันนี้ก็เมื่อก็หาไปในทางทุจริตอะ ผิดสินผิดทมผิดกฎหมายบ้านเมืองไปอย่างนั้นเนี่ยซึ่งว่าจะดำรงตนให้มั่นอยู่ในสินในธรรมดำรงไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันรอแหละไปตั้งแต่บวชอยู่พี่ฝึกใจไม่ได้ห้ามจิตไม่อยู่นี่แหละศึกออกไปมันก็มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ถูกกิเลสตัณหาจูงไปทำบาปทำกรรมอย่างนั้นเนีเรื่องมันนะ่ะ ผู้ไม่ได้บวชก็เหมือนกันถ้าฝึ ก, กจิตตัวเองไม่ได้แล้วอย่างนี้มันก็ไปทำบาปแน่นอนเลยคิเลสมันจ้องอยู่แล้วนะถ้าบุคคลไม่ฝึกตนทำใจสงบระงับแล้วคิเลสมันได้ท่าเลยมันก็เข้าครอบงำจิตที่กหมดกำลังอะกลังก็ไม่มีอ่ะ ที่จะมาต้านทานกับความรักความอยากความบาดธนาอันมันเกินขอบเขตได้อืมําเป็นก็ต้องลอยไปตามมันแหละวันนี้นะเหมือนอย่างบุคคลตกจากเรือบอกเนี่ยแล้วก็ลอยคออยู่ในกลางแม่น้ำมันก็สุดแล้วจะขึ้นมันจะซัดไปยังไงนะมันก็ไปตามคลื่นนั่นแหละ ในที่สุดหมดกำลังแล้วก็ตายเท่านั้นเองอืคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเนอันเมื่อปล่อยให้กิเลสมันครอบงําย่ํายีจิตใจแล้วกิเลสมันก็ซัดดวงกินีสให้ไปทําบาปทำความชั่วต่างๆเป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าตนไม่มีกําลังแก้ต้านทานกิเลสแล้วนี้เนื่องจากว่า เห็นแต่แกหลับแกนอนไม่ไหวพระไม่นั่งภาวนาไม่กำหนดจิตพิจารณาทำคำสอนของพระเจ้าเลยอ่ะเวันปล่อยใจจิตได้คิดส่งไปตามแต่กระแสของโลกโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลำพึงไปอยู่งั้นตั้งแต่เรื่องขายนอกนู่น มเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะมีคุณธรรมอะไรเรามาต้านทานกิเลสได้เหตุที่มันจะมีคุณธรรมมีกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตได้ก็มีโอปนายโกโนมเอาคำสอนพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตเนี่ยอ้าดำริว่าพุทธเจ้าสอนอยังไงหนออยงี้นะพุทเจ้าสอนให้เห็นทุกข์กันนี่เห็นยังไง ดังที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ดูตำหนักตรามาแล้วก็เอ้าพี่จานไปสิความทุกข์ของขันหามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนี่อพิจารณาเห็นไปเมื่อมันเห็นว่าขันหานี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆมันก็บเบื่อแล้ววะนี้นะมันเห็นเหตุผลมาปรากฏในใจแจ่มแจง แ, แล้วมันก็บเบื่ออเบื่อแล้วถึงแม่ว่าะ อุปทานนี้ขันหน้านี้ไม่ได้เด็ดขาดเพียงว่าเบื่อขันห้านี้แล้วไม่ใช่ขันหน้านี่ทำบาปอันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ไม่ใช้ขันห้านี้ล่วงทําล่วงวินัยที่พระเจ้าบัญญัติท้ามไว้นั้นถ้าเป็นครือขัดก็ไม่ใช้ขันห้านี้เป็นล่วงศินของครือขัดคือศินห้าไม่ล่วงทำ ไม่ร่วงทำรรก็หมายความว่าไม่มีไม่ถือไม่ถือมั่นในอัคติไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความชังอ่าไม่ลำเอียงเพราะความหลงความเมานี่นะไม่ลำเอียงเพราะความรักก็หมายความว่าอย่างว่ามีลูกหลายคนอย่างนี้นะ รักคนใดมากมากก็แบ่งสมบัติให้คนนั้นมากกว่าคนที่ตนไม่รักนั้นอย่างนี้นี่เรียก ว, ว่าลู้อำนาจแก่ความรักถ้าไม่ลำเอียงเพราะความรักแล้วก็หมายความว่ามีเมตตากรุณาเหมือนกันหมดลูกลูกทุกคนนะัางคาก็มีนิสัยไม่ดีอ่าไม่ดีแล้วก็เมตตามัน เขมามันได้มาเกิดกับเราแล้วอย่างนี้แหละกระสงเคราะห์ไปตามกำลังเท่าที่จะสงเคราะห์ได้แต่คนที่มันเสียจริงๆมันทำดีไม่ได้จริงๆมันเหลือวิสัยแล้วก็วาง อ, อเวัยขาลงไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดอะไรก็กรรมของเขาสร้างมาอย่างนั้นเราจะทำยังไงได้ ฝึกยังไงให้มันดีมันก็ดีไม่ได้อย่างนี้นะถ้าขืนไปโกรธไปโมโหโทโซไปเสียใจกับลูกคนนั้นอยู่เนี่ยมันก็เป็นพกปเปล่าเสียใจยังไงลูกมันก็ททำดีไม่ได้เพราะว่ามันนิสัยไม่ดีมาแต่ก่อนแต่เชาก่อนนูน่นถ้าหากว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้จั ก, กวางอุเบกขาลง ไม่นึกถึงกรรมของสัตว์แล้วมันก็เป็นทุกข์และพ่อแม่กด็ดีเป็นอย่างนั้นเดืองมา น, นะดังนั้นนะต้องต้องรู้เรื่องมูนี้นะต้องภาวนาให้รู้ให้เห็นดังนั้นนะรวมความแร้วว่าการฝึ ก, กจิตให้เข้าถึงความสงบนี่นะมันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะนั่นแหละ ให้ถือเป็นเรื่องจาเป็นถ้าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ทุกข์หนักใจมากละโลกนี่ไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์อีกหอบเอากองทุกข์เหล่านี้ไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันมันทุกข์หลายบางค้งก็ถึงข่าตัวตายน่ะน่ะเพืไม่มีทางออกนี่ผู้ไม่ เชื่อคําสอนของพุทธเจ้าพูดให้ปฏิบัติตามถ้าสอนให้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ขี้คลานไม่เอาแล้วไม่นั่งแล้วเพราะใจมันลอยนี่ใจมันไปยึดถือแต่เรื่องภายนอกนู่นนี่แล้วมันจะมีแก่ใจมาไหวพระนั่งภาวนาสำรวมใจให้สงบอยู่ภายในมันจะได้ยังไงอ่ะเพราะดวงจิตดวงนี้ไปยึดเอาเรื่องภายนอกคนันอยู่นะ มันจะมันจะสงบได้ยังไงล่ะการที่ภาวนาในี่จิตใจมันสงบลงได้ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอไปอ่ะในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจ มันกระทบมาเวลาใดเราก็พิจารณากำหนดละมันเวลานั้นไปเรื่อยๆให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอไปอ่าไม่ไม่ให้จิตนี้มันเปลี่ยนแปลงวันไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบตาเป็นต้นนั้นก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เสมอไปนะแล้วเมื่อไปนั่งสมาธิภาวนา มันก็ไม่ได้วิกวิจารณนไปตามอารมณ์ภายนอกที่ตนยึดตนถือมาเราดัานตนละมันแล้วมันก็ไม่ได้วิกวิเาียนไปว่าวิจกกันนิดหน่อยแล้วเพ่งเข้าไปเพ่งจิตเพ่งความรู้สึกให้นิ่งอยู่ภายในนั่นอย่างนี้มันก็อยู่ได้สิฮะนี่เพราะว่าจิตไม่ได้ยึด ถืออารมณ์ภายนอกไว้มากมายอ่ะนั่นแหละมันก็มันก็จึงสงบลงได้นะขอให้เข้าใจแต่คนส่วนมากนี่แย่จริงจริงอ่ะมันไม่ยอมอไม่ยอมที่จะมาข่มจิตเพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบม่จะยอมตกเป็นท่าของตันหาปล่อยให้ จ, จิตให้คิดพุ่งไปภายนอกอยู่อย่างนั้นเลยอย่างนี้นะ แล้วจะไม่ให้มันเกิดอีกจิ่ทำยังไงล่ะและ้วผู้ที่ยึดอารมณ์แต่ภายนอกจนตลอดถึงวันตายอย่างนี้นะอุย้ยตายแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วจิตกว็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนรักตนโทษชอกใจนะั่นเลยวันนี้นะเมื่อบุคคลไปมีจิตเลื่อนลอยพุ่งสร้างอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำบุญนะอ่ เมื่อไม่ได้ทำบุญแล้วจิตใจเนี่ยก็เล่ย่อนพานเนจรนเหมือนคนไม่มีหลักไม่มีแหลงนั่นแหละไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวกลัเป็นคนจราจักรเที่ยวอาศัยบ้านคนนั่นบ้างอาศัยบ้านคนนี้ไปอาศัยศาลาวัดอืมอาศัยสถานที่สาธารณะ เป็นที่หลับที่นอนไปขอทานเขากินไปอย่างนี้นะจิตใจที่ไม่ฝึกฝนให้เข้าถึงความสงบไม่ทำบุญกุศลไม่ทำความดีให้เป็นประโยชน์ตนอเรผู้อื่นหรือทำกันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย ม, มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เมื่อตายลงอย่างนี้กิเลสมันก็จูงไปตามประสงค์แล้วันนี้นะอืม ถ้าทำบาปมากมันก็ไม่ได้เมื่อล่องลอยอยู่กับโรกมนุษย์นี่แล้วบาปกรรมฉุดข้าไปสู่นรกอบายภูมินูน่นอืมเนี่ยพิจารณามันเห็นด้วยตนเองเรื่องนี้นะไมื่พิจารณาให้เห็นด้วยตนเองแล้วมันมันไม่ยอมละไม่ยอมทําความเพียรคนเราเนี่ยมันไปอย่างนั้น อผู้ที่มาพิจารณาเห็นอย่างนี้เหตุผลดังกล่าวมานั้นก็จะรู้ระโท่ชีวิตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายคอยย่ายีเบียดเบียนอยู่เอกิเลสนี่นหะมันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงกลัวภยัยภายนอกเลยทีเดียวนะอืมภยัยภายนอกมันก็เกิดจากกิเลสนี่แหละเช่นแต่ชาติก่อนอย่างนี้นะ เคยได้ทุบได้ตีเขามาแต่ก่อนเคยได้ฆ่าเขามาอย่างนี้นะเอากรรมนั้นมันก็ตามมาที่เมื่อเพราะว่าตนไม่ละนี่ตนไม่ละมันนะมันก็ติดตามมาเมื่อมันได้โอกาสเใดเวลาใดานะมันก็บรรดาให้คนอื่นมาทุบมาตีตนให้เจ็บให้ปวดให้ทุกขเวทนาอย่างนี้แหละ ถ้าตนได้ฆ่าเขามาจากก่อนเนี้มันก็บรรดานให้คนอื่นมาฆ่าตนในชาตินี้ตนก็อายุไม่ยืนยาวนานไปไม่ถึงอายุไขเลยก็มาตายเสียก่อนอืมคันนี้ว่าอุปคาตะกรรมกรรมตรนเนะ่เป็นอย่างนี้แหละนี่รรวมแล้วรวมเราว่าความไม่ฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไม่ นึกเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์อย่างงี้จิตใจมันก็หมุนไปทางต่ำเอยไปอย่างว่ามาแล้วนะไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราไปเป็นนักเลงเล่นการพนันขันต่อจิตใจตกต่ำแล้วมันก็ไปหาคบแต่คนชั่วคนดีมันคบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไงใจนี่มันตกต่ำมาแล้วนะ คิดดูให้ดีเหตุนั้นอย่าไปโทษสังคมว่าสังคมนี่ไม่ดีพาตนให้เสื่อมเสียไปต่างๆนั้นนะเอสังคมของโลกว่าเราเป็นอยู่เนี่ยสังคมมันก็มีสองหมู่สังคมของคนพาลอีกสังคมหนึ่งสังคมของบัณฑิตอีกสังคมหนึ่ง ถ้นตอนมีปัญญานะตนก็เลือกไปสังคมกับนักปราณฑนตผู้ผูกพิษชอบโดยกายวาจาใจนันซนนีก็ต้องเว้นจากสังคมคนผ่า น, นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตนก็ได้ประกอบกุศลความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วนักปราชถ น, น า, นาผู้รู้ลึกซึ้งในธรรมคำสองข้อเจ้าทั้งหลาย ดังที่แนะนําสั่งสอนมานี่แหละออก็เรียกว่าพยายามเ อ, อกระตุ้นเตือนใจของผู้ฟังทั้งหลายอย่านอนหลับนอนไหลนอนหลับทับสิทธิ์ตัวเองอยู่หมายความว่าเมื่อตนได้ทําความดีนิดหน่อยแล้วก็ว่าตนได้ทําความดีแล้วไม่พยายามทําความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอย่างนี้นะแต่ แทนสมควรที่ตนเราจะทำความดีให้สูงกื้อไปได้ก็ไม่ทำเพราะเป็นผู้ประมาทมัวเมาแต่ติดแต่ความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั่นนี่นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยผู้ได้ได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะที่แนะนำมานี่รวมความเรียกว่า บุญกุศลตกแต่งร่างกายอันนี้ให้มาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ทําบาปกรรมมันชั่วช้าลามมกมต่ก่อนไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายมาบาปกรรมอันนั้นไม่ได้มาตามสนอง อ, อทําบุญกุศลอํานวยเพื่อกูลอุดหนุนเพื่อแผ่แก่ผู้อื่นให้มีความสุข ตามฐานะเท่าที่จะทำได้มาบุญกุศลอะไนั้นมาก็ติดตามมาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้นะผู้ดใดทบทวนดูแล้วก็ย่อมรู้ได้โอ้ตอนได้ร่างกายนี่มาเพราะบุญกุศลเพราะตนฝึกตนให้รักความชั่วทำความดีมาแต่ก่อนโอ้เราถึงได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์เห็นปานนี้เหมือั้นวแลชาตินี้เราก็จะตั้งใจ ฝึกกิตฝึกกายในให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเก่าฝึกกายในให้อ่อนโยนอ่อนน้อมฝึกฝึกการพูดจาปาศัยก็ให้มีเหตุมีผลให้อ่อนโยนต่อคนอืน่นฝึ ก, กจิตใจให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอยู่เสมอถ้าจิตใจมีเมตตากรุณาอยู่นั้นแล้วเป็นใจอ่อนใจโยนเป็นใจนิ่มนวล เมื่อใจนิ่มนวลอย่างนั้นแล้วการกล่าววาจาอะไรก็เพราะใจเป็นผู้บัญชาการกล่าววาจาเนี่มันก็นิ่มนวลไปไม่แข็งกระด้างเพราะจิตมันอ่อนโยนอ่อนนวล น, น, น, น, นิ่มนวลน่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอะไรอะไรมันก็ออกมาจากดวงจิตดวงนี้แล้วดังนั้นขอให้พากันเห็นความสำคัญในการฝึกผลจิตอันนี้อย่าไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราว แล้วก็จะเป็นผู้เจริญด้วยกุศลคุณงามความดีเจริญด้วยสติปัญญาในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา